ความรู้ทั่วพร้อมปัญญาอันเจาะแทงเหมือนปะตักปัญญินีปัญญาพละปัญญาเป็นดังศาสตราปัญญาดังปราศาสตปัญญาเหมือนแสงสว่างปัญญาเป็นดังรัศมีเนี่ยนะปัญญาเป็นดังประทีปปัญญาเหมือนรัตนาคือแก้วสารพัดนึกเนี่ยความไม่หลงความเลือกเฟ้นทมสัมมาทิฏฐิเรียกว่าปัญญาส่วนสติเนี่ยนะสติก็คือความระลึกความตามระลึกความระลึกเฉพาะสติ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 คำว่านามก็คืออรูปประคันสี่รูปก็คือมหาภูต ร, รูปและรูปที่อาศัยมหาภูต ร, รูปสี่ย่อมดับถึงความตั้งอยู่ไม่ได้คำว่านามรูปนั้นอ่ะดับณนะที่นั้นความว่าเพราะความดับแห่งวิญญาณคือถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับเนี่ยนะที่บอกว่าทรรมเหล่าใดคือนามและรูปพึงเกิดขึ้นในสังสารอันมีเบื้องต้นและมีที่สุดอันรู้ไม่ได้ เวนพบเจ็ดธรรมะเหล่านั้นย่อมดับคือย่อมถึงความสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระ ง, งับณที่นั้นเพราะความดับแห่งวิญญาณอันสัมปยุทธ์ด้วยอภิสังขารธรรมด้วยโซดาปฏิมาหมายคือว่าหลังจากที่โพบที่แดนะสมมติว่าชาติหน้านับหนึ่งก็ไล่อย่างนี้ไปอีกแดชาติชาติที่แดเป็นต้นเนี่ยนะนามรูปวัตตะในตั้งแต่บพบที่แดเป็นต้นเนี่ย ถ้าดับกรร ม, มวิญญาณตรงนี้ด้วยโสดาปฏิมักได้ถ้าโสดาปฏิมักเกิดน ะ, ะชาวนะวิญญาณเหล่านี้ที่เป็นโลภามูลจิตทิฏฐิขตสัมปยุตสี 4, ดวงวิจิกิจชาอีกหนึ่งและปฏิสนที่ในภพที่แปดเป็นต้นทั้งหมดจะดับนะด้วยโสดาปฏิมักะนะถ้าปฏิบัติให้ได้โสดาปฏิมักเนี่ยนะละกิเลสขึ้นทันทีเลยนะละกรร ม, มวิญญาณเลยคือโลภ มรลจิตที่ทีฆตะสัมปยุตสี่และเจตสิกที่ประกอบทั้งหมดในนั้นด้วยถ้าดับวิญญาณอันนี้ได้ภพที่แปดก็จะดับด้วยแต่ก็ต้องอาศัยโสดาปฏิมักนะจึงจะดับตัวนั้นได้โสดาปฏิมักเนี่ยจะดับทั้งปฏิกรร ม, มวิญญาณอันนี้ด้วยนะคือจิตห้าดวงที่กล่าวไปและปฏิสนธิในภพที่แปดเป็นต้นไปเนี่ยโสดาปฏิมักจะดับอันถ้าหากว่า ดับวิญญาณด้วยโสดาปฏิมาคอย่างนี้แล้วนะนามรูปณนะที่กล่าวไปนี่จะถูกดับทั้งหมดทำรรเหล่าใดคือนามในรูปเกิดขึ้นในภพที่ห้าเว้นภพสองเนี่ยนะธรรมะเหล่านั้นย่อมดับคือย่อมสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระ ง, งับณนะที่นั้นเพราะความดับแห่งวิญญาณอันสัมปยุทธ์ ด, ด้วยพิสังขารธรรมด้วยสะกะทาคามิมขยานก็หมายถึงว่าถ้าสะกะทาคามิมขเกิดขึ้น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 ทั้งหมดเลยนะมันจะปฏิสนธิเฉพาะในรูปประพบแล้วก็ปรินิพานในพบนั้นเนี่ยอนุภาพของอนาคามิมักมันดับปฏิสนธิวิญญาณในกาลมาพบทุกชนิดแล้วก็จะประินิพานในพรหมโลกไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกต่อไปอันนี้อนุภาพของอนาคามิมัก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 คำว่าพระอรหันตะขะคีณาศพท่านกล่าวว่ามีสังคารธรรมแปล ว, ว่าเป็นผู้ที่พิจารณาทมหมดแล้วถามว่าเพราะเหตุไรพระอรหันตะขะีณาศพท่านจึงกล่าวว่ามีสังคารธรรมก็เพราะเหตุว่าพระอรหันตะขะีณาศพเหล่านั้นมีธรรมะอันนับแล้วคือรู้แล้วพินิจแล้วพิจารณาแล้วแจ้งแล้วแจ่มแจ้งแล้ว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 คำว่าพระเสขาเนี่ยนะพระเสกขาพ่อเหราจึงชื่อว่าพระเสกขาเพราะว่ายังต้องศึกษาจึงชื่อว่าเสกขาถามว่าศึกษาอะไรก็ศึกษาที่ศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาอธิศีลสิกขาเป็นไงภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสํารวมด้วยปาติโมคสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษแม้มีประมาณน้อยศึกษาสมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ศีละขันเมาเล็กศีละขันเมาใหญ่ศีนเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกั้นเป็นความสำรวมเป็นความระวังเป็นประมุกแห่งกุศลเป็นประธานแห่งความถึงพร้อมแห่งกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่ า, าที่ศีละศีขาก็คือกายวาจาอาชีพจะต้องบริสุทธิ์จริงๆก็คือจตุปาริสุทธิ์ที่ศีนนะนะส่วนอธิจิตสศีขาเป็นฉนัยก็คือปฐมฌานทุติยฌ า, านตติยฌ า, านจตุตฌานเรียกว่าอธิจิตสศีขา อธิปัญญาสิกขาก็คือเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาพิจารณาความเกิดความดับอันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบกรียกว่ารอบรู้เหตุเกิดโดยอาการยี่สิบ้าความดับโดยอาการยี่สิบ้าที่เป็นไปเพื่อการละกิเลสเนี่ยะ แล้วก็สามารถรู้ตามเป็นจริงวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัย น, น, นี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธทคามไมีปฏิปทาก็คือแทงตลอดอริยสัจและสามารถแทงตลอดวันนี้อาสะวะนี้เหตุเกิดอาสะวะนี้ความดับอาสะวะนี้ปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับอาสะวะเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นปัญญาของอธิปัญญาสิขาเนี่ยนะว่าปัญญาสิขาเนี่ยจะต้องรู้เหตุเกิดความดับที่กล่าวไปรู้อริยสัจและก็ประมวลถึงละกิเลสได้